ตัวเขาด้วยตัวเขาด้วยแล้วเขามีสภาพเป็นการรอบรู้อารมณ์อย่างไรด้วยเขามีลักษณะลักษณะเฉพาะของตนของตนเลยหนึ่งตัวเขาก็เป็นของเขาในกรณีที่เขาเสวยอารมณ์หรือรับอารมณ์หรือกระทบอารมณ์ปรุงแต่งอารมณก์ก็มีลักษณะของเขาเฉพาะตัวของเขาไม่เกี่ยวพันกับนา ม, มธ ร, ปประทานรูลประธรรมหรือปรมัตถธรรมที่เหลือเนี่ยเป็นเฉพาะอย่างเฉพาะอย่าง เขาเรียกว่าถึงเขาถึงบอกว่าเป็นสภาพเดิมสภาพเดิมก็คือเครื่องจดจําเฉพาะตนไงเป็นเครื่องจดจําเฉพาะตนว่าเราจะต้องจดจําเฉพาะตัวเขยกตัวอย่างเช่นยมวรวัาสเนี่ยมีลักษณะเฉพาะตนยังไงใช่ไหมมีลักษณะเฉพาะตนอย่างไรอย่างเงี้ยคือลักษณะหน้าตารูปร่างแขนขอย่างไรใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยลักษณะเฉพาะตัวเนี่ยเหมือนกันนามธรรมทุกอย่างมีลักษณะเฉพาะเจาะจงไง ไม่เกี่ยวข้องกับส่วนรวมหรือส่วนมากของรูปธรรมและนามธรรมนั้นอันนั้ น, น, นชื่อว่าสภาวะลักษณะทีนี้บาราทึกผู้ปฏิบัติถึงตอนนามรูปปริเฉทญาณก็จะต้องกําหนดสภาวะลักษณะเฉพาะของต น, งตนแห่งปรมัตถธรรมแต่ละอย่างเนี่ยให้รู้เห็นด้วยสัมาธิฏฐานนะให้เกิดความรู้ให้เกิดความเข้าใจจริงๆถ้าในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่ารู้ลักษณะเฉพาะตนใช่ไหมทีนี้ให้สังเกต ด, ดูนะว่า เรารู้ในการฟังอย่างนี้เบียดเสร็จเนี่ยเวลาเอาไปคข้ควรเพื่อให้ได้มันต่างจากคนที่เขามีปุ่บประโยค่ะเหตุที่สั่งสมมาดีฟางเป้าเขาเขาใหญ่แล้วเขาอันนี้ก็ไม่แน่ใช่ไหมแล้วก็ไม่รู้ใคร <c oughs> อภิการต่อมาคือรสรสาะาเนี่ยตรงเนี้ยต้องอธิบายมากนิดหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยว น่ต้องยกบาลีด้วยทุยก่านระศาเนี่ยมาจากคำว่ากิจจังวาตัสสะสัมปติราโสติปริทีไปเย็นนี่มาในภาษาดีกาในโมลดีกาก็มีในอภิธรรมมวดานก็มีนะมีหลายที่สรุปก็คือรสนั้นมีสองอย่างกิจจังวาสัมปติวาราโสนามะ แล้วก็ใช้คําว่าระโสตัเสวะอัตโนภังปฏิปัจจยภาโวในทีขณิกายดีกากันนี่นะ <c oughs> นี่ต้องอ้างที่มาไม่ได้คนทุกวันเนี่ยบอกเดี๋ยวมาแต่ก่อนมาไม่ชอบอ้างหรอกวันแล้วพูดไปแล้วเดี๋ยวก่อนนะั้นเดี๋ยวก็เอ๊ะมีกิจจะลดมีอย่างเดียวไปเอาสัมปติลดมาจากที่ไหนเดี๋ยวก็จะแบบมาขี้เกียจอธิบายซ้ําแล้วซ้ําอีกอธิบายไปอธิบายมาเดี๋ยวโทสะ ก, กิน <c oughs> ซึ่งต้องระวังอยู่มั้ย สรุปก็คือว่ารถคือหน้าที่และกส็สมบัติเนี่ยมีสองอย่างสองอย่างตรงนี้ก็คือว่ารถมีสองอย่างการทํากิจของปรมัตยธรรมทั้งหลายเรียกว่ากิจรรถความพร้อมเพียงของเหตุที่เกิดขึ้นเรียกว่าสัมปติรถในรถสองอย่างนะทำบางอย่างกิจรรถปรากฏชัดทำบางอย่างก็สัมปติรถปรากฏชัดนี้เดี๋ยวข ย, ขยายอีกทีทีนี้คือบางครั้งเนี่ยเวลายกตรงนี้เบ็เสร็จเนี่ยนะ เราก็จะต้องไปยกสภาว่าทำมาเปรียบเทียบถ้าอย่างนั้นก็ไม่เห็นนี่และอยู่ๆเนี่ยนะเวลาอธิบายคําสอนเนี่ยอยู่ๆไปยกสองอย่างนี้มาพวกก็ไม่เคยดูแต่เฉพาะหลักฐานเล่มนเนี้ยเนยเล่มของที่เขาทํากันมาเนี่ยไม่ไม่มีนี่เพราะไม่มีขึ้นมาก็อายุ่งแล้วเพราะเราคนยกที่หลังก็ยุ่งแล้วเพราะเราไม่ได้สอนเรื่องนี้ไงอ้าวลำบากเลยทีเนี้ยเขาใจอย่างที เ, เนี้ยฉะนั้นตรงนี้ก็ยกให้บริบูรณ์เนี้ย เวลาใครไปที่บายเรื่องกิจรสและสัมปติรสนะจะได้ไม่ค้านเขาว่ามีสภาวะเป็นยังไงแลวต่างกันยางไรเงี้ยเนยมันจะได้ไม่เสียเวลาศึกษาพระธรรมใช่ไหมเพราะวิจิตชามีสองอย่างวิจิกิจชาที่วิริชาวิจิกิชาาิรามอย่างวิจิตชาปฏิองอเนี่ยเป็นวิชาที่เป็นกุศลก็ได้เป็นอกุศลก็ได้ิตามีสออย่างนีอย่างไงแต่สงสองย่างวิจิตริชามีสออย่างนีอย่างไิต่สงสัย่าวิจิตริช นี่คงไม่ถูกแน่นอนแล้วก็ติงกันด่ากันว่ากันเสียเลยเงี้ยเนอยเราไม่ต้องการให้วิจิตรฉาปฏิรูปที่เป็นอกุศลเกิดแต่ถ้าวิจิกิจฉาที่เป็นปฏิรูปที่เป็นกุศลเกิดได้ไม่เป็นไรพ่อพระอริยักษ์พระหลักฐานก็กกมีใช่ไหมเว้นพระพุทธเจ้านอกนั้นยังมีข้อสงสัยอยู่แต่ข้สงสัยด้วยกิริยาไม่เหมือนกับพวกเราทั้งหลายมันจะไปอกุศลเลยนะระสงสัยเนะี่ยใช่ไหมโทรศัพท์จะกินเลยเดี๋ยวเกาหัวเลยเลยโทรศัพมันกิน เ <c oughs> ยอว่าใช่ไหมที่ก็งดหยิดเลยเอ๊ะพูดอย่างนี้ไม่เข้าท่าเลยอะไรเงี้ยอันนี้ก็สรุปแซมมันจะได้ชัดไม่ต้องอ้างคำพีแล้วมาจากที่ไหนตรงนีว้วิจิติจายเดี๋ยวไปขยายอีกทีใช่โรบนามันเป็นเหตุให้ผลของตนเกิดขึ้นชื่อว่ารสรสนั้นก็คือหนึ่งกิจราษาสแล้วก็จิตคือหน้าที่ของปรมัตยธรรมทั้งหลายสองก็คือสัมปติรสก็คือความเกิดแห่งเหตุที่สมบูรณ เหตุเขาสมบูรณ์แล้วเลยเป็นสัมปติโหรถคือรถคือเหตุนั้นเขาทาเหตุนั้นสมบูรณ์แล้วเลยเรียกว่าสมบัติเรียกว่าคุณคสมบัติหรือสัมปัติเนี่ยก็คือคุณที่ปรากฏอยู่คุณที่ปรากฏอยู่ที่เขาทํากิจนั้นอยู่แต่ไม่ได้ไปขับเน้นผลขับเน้นกิจที่สมบูรณ์ขับเน้นกิจที่สมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสัญขารวิญญาณไม่ว่าจะเป็นสภาวธรรมใดๆก็แล้วแต่เนี่ยนะในขณะสภาวธรรมเหล่านั้นเขากำลังทำกิจของเขาอยู่การทำกิจของเขาเนะี่ยเรียกว่ากิจจะลเพราะรูปนามอันเป็นเหตุให้ผลของตนเกิดไอตัวทำทำกิจนะไม่ใช่เอาตัวผลนะที่เขาทำกิจเนะี่ยเรียกว่ากิจจรัศะเขาเรียกว่าเป็นกิตเป็นหน้าที่ของปรมัตถธรรม เป็นกิจเป็นหน้าที่ของรูปเป็นกิจเป็นหน้าที่ของเวทนาเป็นกิจเป็นหน้าที่ของสัญญาสังขารวิญญาณเป็นกิจเป็นหน้าที่ของภาษาเวทนาสัญญาเจตนาเอกคตาชีวิตินรีมนัสิการทั้งหลายเหล่านี้ยเขาจะมีกิจมีหน้าที่หมดเลยแม้ในปฏิจจสมุปบาทกิจของอวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปสรายัจตนาภาษาเวทนาก็มีกิจมีหน้าที่กิจหรือหน้าที่เหล่านั้นเรียกว่ากิจจริญสแต่ถ้าสัมปติรสเนี่ยก็คือความเกิดแ่งเหตุที่สมบูรณ์ เขาทํากิจเขาทาหน้าที่ที่สมบูรณ์แล้วเรียกว่ากิจจะเรียกว่าสมปติรสหรือสมปติก็คือคุณที่ปรากฏคําว่าคุณที่ปรากฏเนี่ยไม่ใช่เป็นความดีนะคุณในที่เนี้เป็นคุณสมบัติของเขาเนียใช่ไหมเช่นโลภะเนี่ยเขาก็มีคุณที่ปรากฏออกมาอย่างเงี้ยเนี่ยไม่ใช่คุณคือความดีนะเนี่ยไม่ไปบอกว่าคุณนะแปลว่าความดียุ่งอะใช่ไหมความโกรธเนี่ยในขณะที่ความโกรธทํากิจเนี่ยใช่ไหมก็เป็นกิจเจริญสาก็ใช่ไหมเมื่อความโกรธนั้นน่ะ เมื่อความโกรธเมื่อความโกรธเหล่านั้นน่ะคือความเกิดขึ้นอย่างเหตุของโธของความโกรธนั้นสมบูรณ์แล้วเนี่ยโทสะนั้นทํากิจสมบูรณ์แล้วอันนี้เขาเรียกว่าเป็นคุณที่ปรากฏของโทสะแต่ไม่ใช่โทสะเกิดขึ้นแล้วให้คุณใช่ไหมแต่ว่าถึงความสมบูรณ์ของโทสะแล้วมองเห็นไหมอย่างนี้เป็นต้นนั่นก็ยกให้แยกให้ถูกให้ชัดทีนี้ในคําสอนเนี่ยในธรรมบางอย่างกิจรสปรากฏ ในธรรมบางอย่างเนี่ยสัมปติรสคือหมู่เหตุที่สมบูรณ์เนี่ยอันเป็นเหตุอันเกิดในปรากฏในธรรมบางอย่างทั้งกิ จ, จรสและสัมปติรสในปรากฏรถเหล่านั้นจะปรากฏในธรรมที่เกี่ยวข้องกันกันกบตนนี่นะไอ้ตรงนี้ก็ก้อนนั้นคือจุดแตกต่างกันนะก็หมายความบอกว่าในกรณีที่เวทนาก็เกิดขึ้นเนี่ยนะก็ เ, เกี่ยวข้องกับเขาก็หมายความาาว่าสภาวะธรรมของเขาเกี่ยวข้องกับตัวเขาเองแล้วในกรณีที่เขาจะทําให้ตัวเขาสมบูรณ์ขึ้นมา นะบางครั้งก็ไอตัวกิจเนี่ยมันปรากฏชัดในยานปัญญาใช่ไหมบางทีก็สมปติรถเนี่ยก็ปรากฏชัดบางอย่างปรากฏชัดทั้งคู่เลยอย่างนี้นอันนั้นก็ทีนี้ประการกลัมาคือปัจจุบันฐานปัจจุบันฐานเนี่ยในชั้นของคําสอนนะหลายที่อย่างที่ยกมานี่แหละท่านใช้คําว่าปัจจุบันฐานคืออาการปรากฏการปรากฏและผลผลปัจจุบันนะ นั่นหมายถึงผลผลของธรรมผลของสภาวธรรมอุปัทานะกาลาปจุปัทานะหมายถึงอาการที่ปรากฏท่านใช้คําว่าอุปัทานากาโรวาพรางวาปจุปัทานานังนามะปจุปัฐานคืออาการปรากฏใะอาการปรากฏอย่างหนึ่งแล้วก็ผลท่านก็เลยมาแยกเป็นอุปังฐานากาโรติขเหตึ่งแวาเอุรอวะพาเวนะ ยานะสะอุปทานะการูพลังเอาคาไปทํา้ำใ น, นมูลเลดิกาแสดงไว้อย่างนี้บอกว่าและในทีคณิกาเดีกาก็แสดงไว้เขาบอกว่าสภาวะธรรมที่รูปนามนั้นนั้นเป็นอารมณ์ของยานตามความเป็นจริงเพราะมีอยู่จริงเนี่ยนะพราะมีอยู่จริงปรากฏมีอยู่โดยปรมัตต์นั้นชื่อว่าปัจจุปฐานนะก็คืออาการละอาการปรากฏแล้วก็ผลของปรากฏเนี่ย ในปัจจุปถานะทั้งสองอย่างเนี่ยอุปฐานะการละปัจจุปถานะและผลปัจจุปถานะเนี่ยเนี่ในอุปฐานะสองอย่างนั้นอุปฐานาการลเนี่ยการละเนี่ยปัจจุปถานะเนี่ยคืออาการปรากฏต่อปัญญาผู้ปฏิบัติอุปฐานะการลปัจจุปถานะหมายถึงอาการที่ปรากฏในญาณของโยคีคือผู้ปฏิบัติอผลเหล่านี้ที่ปรากฏเพราะจิตเขาสําเร็จแล้วที่ไม่ปรากฏต่อยานของเรามีเยอะไหมอันนั้นเรียกว่าผล ปัจจุปถานนะการลผลปัจจุปถานนะก็คือว่าสภาวธรรมที่ดำรงอยู่โดยสาเหตุของตนโดยเหมือนกับเหตุของตนนนะได้แก่ผลที่ได้ผลที่ได้เพราะกิจลัทะเมื่อกิจรัทนั้นบริบูรณ์แล้วผลก็ปรากฏใช่ไหมกิจรัสบริบูรณ์ผลก็ปรากฏแต่ผลที่ปรากฏนั้นบางคราวไม่ปรากฏต่อยานปัญญาของพโยคีของผู้ปฏิบัติเลยฉะนั้นอาการที่ปรากฏ กับผลที่ปรากฏทันงต่างกันถ้าอาการระ ป, จจประจุปฐานะแปบลบว่าอาการที่ปรากฏต่อญาณปัญญาของผู้ไข้ควรผู้พิจารณาผู้เพ่งทั้งหลายแต่ผลปัจจุปถานะนี่ก็หมายความว่าผลที่เกิดขึ้นจากกิจละัตยที่บริบูรณ์แล้วผลก็ปรากฏออกมามองเห็นไหมแยกกันได้ไหมตรงเนี้ยเอาเพอแยกอย่างนี้เบเสร็จเดี๋ยวค่อยไปดูตัวอย่างสภาวะธรรมใช่ไหมถ้ายังไม่ดูตัวอย่างก็ยังมองมึนๆอยู่เนี่แหละ ใช่ไหมมึนไหมมาเรียนเนี้ยต้องต้องต้องพยายามเปลี่ยนอารมณนะ์เนี้ยคนยุคนี้ไม่ได้เดีย๋ยวเรียนไปมากๆไม่ไหวเขาไม่ได้วางใจด้วยกุศลนะถ้าถ้าวางใจด้วยกุศลเนะี้ยเขฟังได้ทั้งวันเนละใช่ไหมเหมือนคนวางใจด้วยโลภะดูหนังได้ทั้งวันนะแต่อันนี้เหมือนกันอันนี้ถ้าโลภะมาเรียนธรรมะเรียนได้ไปทั้งวันเดี๋ยวเครียดดูกับมาเพียเลยนะ ศึกษาพระธรรมระหวางจิตถูกเนี่ยไม่เพียรเพราเป็นกุศลนีใช่ตรงนี้เดี๋ยวก็ยกตัวอย่างประทัดฐานก็คือเหตุใกล้มาจากคาว่าอาสานาการนังประทัดฐานนางนามะประทัดฐานนางอาสานาการนังเตนะสะปัจจยายัตตะวุติตาทิสิตาเนในทีคณิกายดีกาเนื้เหตุไกลกับเหตุใกล้ของปรมัตธรรม ต้องรู้ไม่ใช่รู้เช่ว่าเหตุใกล้เรามาศึกษาปรมา ธ, ธรรมกัน เ, นเอาแต่ <c oughs> เหตุใกล้เหตุใกล้เหตุใกล้กันอยู่เนี่ยจริงๆ้ดีกาเขาเชื่อมไว้ให้แล้วว่า <c oughs> มีเหตุไกลด้วยถ้างั้นเอ๊จะมาปฏิบัติยังไงก็เลยมานั่งงงๆกันอยู่นี่แหละเอาเรื่องจริงเลยนะเนี่ยเนี่ยลองดูที่เนี่ยปรมาธรรมเนี่ยเนี่ยเอามาดูดูกันนี่เรื่อนี่ไม่มีเหตุไม่มีเหตุไกลนี่เอาแต่เหตุใกล้มาเนี่ย เอางี้นะผัสสเป็นเหตุใกล้ของเวทนาใช่ไหมเอาแล้วเหตุไกลของภาษาเออแล้วเหตุไกลของเวทนาล่ะอาวิชาตัญหากรรมเป็นต้นเน่ยต้องรู้อีกเยอะเลยเห็นไหมเนี่ยมันต้องสองเหตุฉะนั้นบรรดาเหตุใกล้ก็ดีเหตุไกลของปรมัตธรรมนั้นๆเกิดขึ้นนะเหตุใกล้สุดก็ชื่อว่าปทัฏฐานเพราะแสดงว่าปรมัตธรรมทั้งหลายเกี่ยวข้องกันกับเหตุปัจจัย ทีนี้มันก็เลยมาสรุปประเด็นได้เลยตอนนี้ว่าลักษณะที่จะตุกกะของนามาธรรมของรูปธรรมทั้งหลายเนี่ยถ้าหากไม่สามารถใร่ควนหรือมีความเข้าใจกาหนดพิจารณาแยกแยะได้โดยลักษณะรักษณกษปะปัจจุบันปทัฒฐานด้วยกำลังปัญญาของตนเองได้แต่หากกาหนดรูป ก, กราบหมู่กราบนามกราบหรือหมู่นามแต่ละ หมู่แยกออกโดยละเอียดด้วยปัญญาได้ก็จะสามารถกําหนดรอบรู้ลักษณะลักษณะปิยุปทานปิทาฐานจนเห็นปรมัตถธรรมเป็นต้นไดน้ถ้าไม่รู้พวกนี้ก็ในในลักษณะลักษณะปิยุปทานปิทาฐานนี่นะยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นะยกตัวอย่างเกี่ยวในเรื่องของสภาวธรรมต่างๆนี้ที่ที่พูดมานในส่วนที่ท่านยกมาประกอบด้วยนะเพราะว่า ถ้าไม่ยกมาเนี่ยเรายกเองเนี่ยไม่ค่อยดีไม่ค่อยดียกตามท่านสบายใจถ้าเรายกเองบางทีก็เสียวๆนิดๆเดี๋ยวเกอท่านผู้รู้ไงท่านผู้รู้อะไอ้ไปยกมาเอาที่ไหนมามาก็กลัวกังวลตรงนี้นะ่ต้องยกยกป้องกันตัวเองไว้เผื่อตายไปแล้วก็ยังไม่ด่าทีหลังใช่ไหมเดี๋ยวยกเอ้ยกไปทั่วเลยอเี้ยอาความเข้าใจใส่ไปเรื่อยเลยรูปารมกระสีต่างๆนี่นะ ก็ว่าจักขคูปฏิหนาลักษณะรูปังลักษณะคือสภาพธรรมที่กระทบกันกับจักรคู菩萨ใช่ไหมรูปารมเนี่ยสภาพธรรมเขากระทบกับจักรคส菩萨ใช่ไหมกระทบกันใช้คําว่ากระทบนั่นคือลักษณะทีนี้กิจจรสานี่เนีกิจจรสเนี่ยแยกเป็นสองได้ถ้ารูปารมสัตตารมกันตารมระสารมโพธพารมเนี่เห็นชัดหน่อย กิจรสาศเนี่ยแยกเป็นแยกเป็นสองได้เป็นสัมปติรสกับกิจรสกิจจรสก็หัวข้อเขาเป็นอย่างนั้นหัวข้อเขาใช้คําว่ารสเออไม่ใช่เขาใช้คําว่ารสขอไปรสมีสองรสมีกิจรสกับสัมปติรสเออานาะงั้นเลยราศาสในที่นั้นแปลว่าหน้าที่ใช่ไหมราศาสนั้นแปลว่าหน้าที่มีสองอย่าง ทีนี้ในรูปารมณ์เนี่ยกิจรัตสกิจรสคือสภาพธรรมที่อุปการะต่อจกักขวิญญาณโดยอารามนาปัจจะสติคำว่าอารมนาปัจจะสตินั้นคือความสามารถของสาความสามารถอันเป็นเหตุอันเป็นเหตุก็คือรูปารมณ์อยู่ในฐานะเป็นเหตุนั่นคือความสามารถนั่นคือกิจรัตส ทำที่อุปการะต่อต่อจกักรญาณโดยอารมณปัจจัยสติส่วนสัมปติรสคือสภาพธรรม ท, ที่ที่ความสมบูรณ์ด้วยอารมณปัจจยสติคือคุณอันเป็นความสามารถคือเหตุทีนี้ถ้าเรามองตรงเนี้บางครั้งก็จะต้องดูดูวิถีมาเปรียบเทียบใช่ไหมถ้า ความสมบูรณ์ของอารมณ์ปัจจัยกับความไม่สมบูรณ์ของอารมณปัจจัยของรูปารมณ์เนี่ยนะหรือในฐานะที่เขาเป็นเหตุเช่นรูปารมณ์เนี่ยเาก็ต้องเป็นเหตุของจักขุญญาณอยู่แล้วความสามารถของเขาคือเป็นเหตุของของของเป็นอารมณ์ของจักขุญญานแต่ถ้าหากในวิถีบางวิถีเช่นอติมหันตารม์วิถีมหันตารมวิถีเนี่ยอันนั้นน่อารมณปัจจยสติความสามารถอันเป็นเหตุ คุณนะเขาคือคุณอันเป็นความสามารถคือเหตุอันเป็นอารมณ์ใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นอารามณปั จ, จัยทั้งหลายในะอารามณปัจเจ้าถ้าเราดูอย่างว่าอารามณปัจใจอารามณะปุเรชาตะอารามณะปุเรชาติทิอารามณะปุเ ร, ร, ร, ร, ร, รชาตะอวิคตะอย่างนี้เนะีกรณีที่รูปารมณ์ทั้งหลายนะี่ยเขาเป็นกิจจรัศดโดยฐานะเป็นธรรมที่อุปการะ ต่อจากขุญญานอยู่แล้วโดยอา ร, รมณ์ปัจจัยสติคือความสามารถที่จะเป็นเหตุได้อารมณ์ทุกอารมณ์เนี่ยเขามีความสามารถหมดที่จะเป็นเหตุของจักคุญญานได้หมดใช่ไหมใช่แต่อารมณ์เหล่านั้นรูปารมณ์เหล่านั้นน่ะเขาจะเข้าถึงความสมบูรณ์ได้ความพร้อมเพียงแก่การฐานะที่เป็นเหตุที่จะทาให้จักคุญญานนที่จะเข้าถึงความสมบูรณ์หรือยัง ที่จะสามารถเป็นอารม์เป็นอารมณะปัญญาสติที่เข้าถึงคุณสมบัติอันนี้บอกบง่งบอกถึงคุณสมบัติสภาพที่ความสมบูรณ์ด้วยอารมณะปัญญาสติคือคุณอันเป็นความสามารถคือเหตุอันเป็นอารมณ์นั้นนี่เป็นอย่างนี้บอกบอกเขาทีไม่ต้องเข้ามาคือจริงๆอย่างนั้นก็ต้องถือว่าเขาไม่เป็นเหตุให้ของคนนั้นเลยไม่เป็นแม้กระทั่งเหตุไม่เป็น จริงๆก็ถามบอกว่ากิจจระศาสภาพที่อุปการะใช่ไหมต่อจักรคุญญาณคือสามารถเป็นเหตุเขาสามารถเป็นเหตุได้แต่ผลผลที่ปรากฏคือจักรคุญญานยังไม่เกิด<ต>ใช่ไหมผลที่ปรากฏเนี่ยแต่ว่าไม่มีผลก็คือไม่มีจักรคุญญานแต่บางแห่งเนี่ยเขาพยายามทํากิจอยู่แต่ก็ไม่สามารถทําให้จักรคุญญาณเกิดได้ เช่นมันเข้ามาแล้วเข้ามาสู่ในคลองของจักรคุทวานแล้วแต่แต่จักรคุญยานก็ไม่เกิดเช่นโมคะวาระเนะี่ยใช่ไหมในวิถีที่เป็นโมคะวาระทั้งหลายเนี่ยทีนี้ถ้าเรามองดูในลักษณะว่ากรณีที่ถ้าสัมปติรัสะก็คือสภาพที่ความสมบูรณ์ที่เป็นอา ร, รัมณปัจจะสติก็คือคุณนั้นเป็นความสามารถก็เหี้ยเป็นต้นอะไรเนี้ย ถ้ามองอย่างนี้สัมปติรสคือในกรณีอย่างเนี้ว่าถ้าถ้าเรามองเห็นสิ่งต่างๆเหล่าเนี้ยแม้สภาวะธรรมนะสภาวะธรรมเกี่ยวเรื่องของนา ม, มาธรรมก็มีไอกิจรสของเขาอย่างเนี้ยเขาก็มีลักษณะเหมนไม่ใช่เฉพาะรูปธรรมส่วนปัจจุบันนะคือสภาพธรรมที่เป็นอารมณ์ของจกักขรวิญ ญ, ญาณก็ปแปลว่านั่นแหละเขาปรากฏแล้วรูปอารมณ์ปรากฏชัดแล้วเขาปรากฏแล้ว โดยฐานะเป็นผลเป็นผลที่ปรากฏประทัฐานก็รูปใหญ่สี่รูปอันเป็นกลุ่มเดียวกันนะ่ะที่รูปปารมอาศัยคือดินน้ำไฟลมนั่นเองอย่างนี้เป็นต้นอันนี้มองมองเห็นยากัหยอันนี้ก็ยกตัวอย่างเปรียบเทียบันะ้นกรณีถ้าเป็นรูปปารมสัท ธ, ธารมคันธารมลาสาลมผัวตาามเนี่ยเช่นถ้าหากว่าสัท ธ, ธารมก็คือเสียงอ่ะ สภาพธรรมที่กระทบกโสตประสาทเนี่ยแต่ว่าจริงๆถ้าดูในรายละเอียดต่างๆในชั้นของดีกาอะไรต่างๆก็ขยายแต่มามาสรุปเนี่ยจริงๆถ้าขยายกันก็เป็นเรื่องยาวเลยนะเรื่องแค่เนี้ยนี่นะแต่มาต้องการพูดสรุปเพราะจํากัดอะไรต่างๆหลายๆอย่างธกิจจรัสศาสตร์ของสัทธารมณ์ก็คือสภาพที่อุปการะต่อโสตวิญญาณก็ลักษณะเดียวกันโดยอารมณปัจจัยสติความสามารถที่เป็นเหตุก็คืออารมณ์นั้น สัมปติรถก็คือสภาพธรรมก็คือความสมบูรณ์ด้วยอารมณ์ปัจจัยสติแล้วก็คือจิตของเขาต่อรูปอารมณ์นั้นทํากิจสมบูรณ์เป็นคุณเป็นความสามารถคือเหตุอันเป็นอารมณ์อ่ะอันสามารถอุปการะต่อจักรุญญาณนี่เขาพร้อมแนละ้วเขาพร้อมที่อุปการะจะักรนะุญญาณออย่างคนบางคนเนี่ยไปทําอะไรเนี่ยถ้าถามว่าพร้อมที่จะไปลุยยัยง แอย่างนี้นะมันไม่พร้อมที่จะไปได้มาผลอะไแต่ถ้ารูปอารมณ์ศัทธารมณ์เป็นต้นเหล่าเนี้ยอารมณ์บางอย่างเขาเขายังไม่เข้าถึงความสมบูรณ์แต่อารมณ์บางอย่างเขาถึงความคุณสมบัติของเขาสมบูรณ์ต่อการที่จะเป็นอา ร, รมณปัาจิยะสัจเขามีความสามารถพอที่จะเป็นปัใจจัยให้กับจกักขุญยานเกิดอย่างที่ยอมพูดเมื่อกี้ว่าแสงสว่างะอะไรต่า ง, างมันก็เกี่ยวข้องกันทั้งหมดเลยปัจจัยต่างๆเหล่านะั้นเนียใช่ไหม อารมบางอย่างก็ทากิจยังไม่บริบูรณ์ใช่ไหมถ้าทากิจบริบูรณ์แล้วก็เป็นคุณสมบัติใช่ไหมนี่เป็นอย่างนั้นงั้นทั้งรูปทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งรสทั้งสัมผัสมันก็จะมีทั้งกิจจารสและสัมปฏิรสเป็นอย่างนี้เรียนไหมยังนี่นี่เป็นในลักษณะนี้อันนี้พูดถึงในลักษณะของปัจจุบันเนาะเออต่อไปปัจจุบันขอไป ปัจจุบันฐานคือสภาพที่เป็นอารมณ์ของโสตวิญญาณหรือเป็นสภาพที่เป็นอารมณ์ของจักรพุญญาณก็ว่าไปตามแต่สภาพของอารมณ์นั้นนั้นอุปัทานะปัจจุบันฐานา ะ, ะานาอาการที่ปรากฏในญาณของโยคีผู้ปฏิบัติผลที่ควรได้เฉพาะเหตุกิจโรจนั้นก็นั่นก็เป็นกิจจรสาไอผลผลปรากฏนี่ยนะอุปมาเหมือนรถที่เป็นผลนานาชาติอันเป็นประโยชน์ของกิจที่ทํากิจอย่างนั้นอย่างนั้นเรียกว่าผลปัจจุบันฐานะ ส่วนอาการที่มาปรากฏให้เห็นในยานของผู้ปฏิบัติในการพิจารณาธรรมะนั้นๆเรียกว่าอุปทานากาลปัจจุบัานะตรงนี้ท่านยกอุปมาด้วยนะในชั้นข้งดีการอุปมาเหมือนมีคนคนหนึ่งมีสภาวะาธาตุทั้งหลายชนิดมาปรากฏในจิตของผู้พิจารณาอยู่ฉะนั้นจึงเรียกว่าอุปทานาการละปัจจุบัานะตอนนี้ท่านก็ยกตัวอย่างนะว่าในขณะที่พิจารณาอยู่ สภาวะธรรมต่างๆมันปรากฏในปัญญาของท่านเน่ะเช่นเวทนามาปรากฏชัดในใจของท่านเนียในยานในสัมมาทิฏฐานนะนั้นจะต้องขับเน้นที่สัมมาทิฏฐานนะนะถึงจะเรียกว่าอุปปัฏฐานากาละปัจจุปัานนะไม่ใช่ไปใช้โลภะไปพิจารณาแล้วเห็นโทสะพิจารณาแล้วเห็นไม่ใช่ต้องยานปัญญาที่เข้าไปเห็นอาการนั้นๆ ของสภาวธรรมนั้นนั้นใช่ไหมเนี่ยโลภะมันก็เห็นปรมาทได้ติดนี่เห็นแล้วหลงเลยไม่รู้ปรมาทันหลงเย่าไปดูโมหะก็รู้อา้าวนี่ก็พอจะผ่านได้แล้วไหมประทัดฐานก็คือเหตุใกล้เหตุไกลของธรรมะเนี่ ย, เ ห, ยหเหตุใกล้อย่างหนึ่งเหตุไกลอย่างหนึ่งนะอันนั้นก็ก็ค่อยว่าไปตามลําดับอันนี้ในนี้ก็ต่อไปก็ ท่านก็นมีแต่บาลีคําแปลบาลีและคําแปลไม่ได้ขยายไว้เอาต่อไปจะดูตัวไหนก่อนเดีดูสภาวะธรรมตรงไหนก่อนดูอินทรีห้าเนี่ยฉะนั้นดูอินทรีห้าก็เมื่อวานพูดถึงในเรื่องของศรัทธาใช่ไหมในเรื่องของสัตทินรียหรือศรัทธานเนี่ยนะก็ดูสภาวะธรรมที่เราศึกษาในเรื่องของศรัทธาเจตสิกเนี่ยนะ ถ้าดุเรียนศรัทธาก็มาเรียนวิจิกริชฌาหน่อยเออในกลุ่มของสัตทินรียทั้งหลายเหล่านี้ที่ท่านกลา่าวนะก็ไว้เนี่ยนะก็แปลว่าความเชื่อความเลื่อมใสเป็นศรัทธาเจตสิกใช่ไหมเป็นธรรมชาติที่มีความเชื่อเลื่อมใสในคุณของพระพุทธเจ้าในคุณของพระธรรมในคุณของปริยส่์เชื่อกรรมและผลของกรรมเป็นต้นตามความเป็นจริงและปฏิจจสมบัตินั่นแหละพระพุทธโฆษาท่านแสดงไว้ในคำพีวิสุทธิมรักในการธนิเทศที่ท่านใช้คําว่าทะ สัทธาหันติเอตายติสัทธาเนี่ยับเดียวกันเนี่ยนะสัทธาหันติเอตายติทีนี้ขยายก็คือว่าธรรมชาติที่ชื่อว่าสัทธาเพราะมีเนื้อวความมาเชื่อก็คือเลื่อมใสในวัตถุที่ควรเชื่อก็คือในสัตยยววัตถุสัตยยววัตถุเนี่ยสภาพที่เชื่อสัตยยววัตถุสิ่งสิ่งที่ควรเชื่อก็คือมีคุณของพระเจ้าเป็นต้น ของพระุทเจ้าคุณของพระธรรมคุณของบริยาสงฆ์ทีนี้พอพูดตรงนี้ก็คือได้กล่าวย้ําไปหลายครั้งแล้วว่าเชื่อในคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของบริยาสงฆ์แล้วก็เชื่อในคันธะอรยธรรเป็นต้นเราเนี้ยนะตรงนี้ก็คือ ถ้ามามองดูว่าเชื่อในศิกขาสามคือศีลสมาธิปัญญาศีล ส, สมาธิปัญญาพอเชื่อในมีตถาคตาโพธิสัถานมันจะจบทุกทุกเรื่องฉะนั้นพอไปเชื่อมโยงว่าเชื่อขันธ์ญาติยติที่เป็นอดีตอนาคตทั้งอดีตอนาคตตรงเนี้ยหรือเชื่อปฏิจจสมบัติที่พระองค์ทรงสแสดงเอาไว้ว่าวงจรของปฏิจจานเนี่ยถ้าไม่สัตว์ออกยากแต่ถ้าหากว่าตัด รอบรู้อะไรร อ, รอบรู้ปฏิจารเนี่ยก็พ้นทุกข์ได้อย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าตรัตสรู้ปฏิจารถึงพ้นทุกข์หนึ่งฉะนั้นลักษณะของศรัท ธ, ธาตรงนี้กันถึงเรียกบอกว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าสภาพที่เชื่อแน่นอนต่อสัตยยวทถุที่ควรเชื่อคือวัตถุที่ว่าวัตถุนี้มีสภาพอย่างนี้ต้องยกตัวอย่างเนาะถ้าไม่ยกตัวอย่างเนี่ยก็ก็ไม่ชัด เชื่อเชื่อในคุณของพระพุทธเจ้าเชื่อในรูปพระรูปของพระพุทธเจ้าใช่ไหมว่ามีลักษณะอย่างนี้เช่นมหาบุริสละขนาดสาสิบสองประการและนุพยัญชนะแปดสิบเนี่ยเชื่ออาที่เชื่อเพราะมีกรรมกรรมสรัทธาและมีวิปากสศัทธาใช่ไหมมีกรรมสกสดิ์ตาศรัทธานั่นเองเชื่อมั่นต่อสิ่งที่มีคุณ อันตนเองประจักษ์เช่นคุณของพระพุทธเจ้าเป็นต้นจนถึงคุณของบิดามารดากรรมมัสกตาสัทธาคือเชื่อมั่นว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนวิปากสัทธาก็คือเชื่อวิบากก็เห็นวิบากของพระบรมศาสดาพราะรู้กรรมที่พระบรมศาสดาทำมาเนี่ยความเชื่อปักใจเชื่อและแน่นอย่างนั้นนี่ลักษณะนี้เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเชื่อทีนี้กรณีอีกอย่างหนึ่งก็คือเชื่อในคุณของพระพุทธเจ้า เชื่อในคุณของพระธรรมใช่ไหมก็หมายความว่าสภาพศรัทธาเนี่ยที่นราบอกว่าเชื่อในศิกขาสามคือศีลสมาธิปัญญาถ้าเราดูอย่างลักษณะอย่างนี้ว่าหนึ่งกิจรักษณะนี่เนี่ยที่เขาบอกว่าการทำธรรมะที่เกิดพร้อมกระตนให้ใสในสัตยเยาถูอันควรเชื่อเหมือนแก้วมนันีที่ทำน้ำไม่ใสตรงนี้พูดไปแล้วใช่ ตรงนี้คืออย่างนี้ศรัทธามีลักษณะก็คือมีความเชื่อเป็นลักษณะแล้วก็มีความวางใจเป็นลักษณะศรัทธานั้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็เป็นปัจจัยช่วย อ, อุดหนุนแก่สามยุทธธรรมคือธรรมทั้งหลายที่เกิดร่วมกันกับตนให้เป็นไปด้วยกิริยาการที่มีความเชื่อไปด้วยก็หมายความบอกว่าเมื่อศรัทธาเนี่ยมีความเชื่อมีความเลื่อมใสอย่างแน่นอนต่อสัตยวตถุแล้ว สทานั้นเวลาสานั้นทํากิจเนี่ยนะกิจจระศาสตรของสัตน์นั้นนะจึงบอกว่าทำธรรมะที่เกิดพร้อมกับตนให้ใสในสัตยยวัตถุทั้งหลายและไม่ใช่แค่นั้นด้วยว่าท่านบอกว่าทำธรรมะที่เกิดพร้อมตนให้ใสท่านก็เลยอุปมาไว้ว่าเหมือนกับแก้วมณีที่ทําน้ําให้ใสนี่ขับเน้นไปที่น้ําไอ้แก้วมณีที่จุ่มไปในน้ําสภาพน้ํานั้นใสปราศจากฝุ่นจากปราศจากโคลนตรม นั่นแหละคือลักษณะน้ำที่ใสแจ๋วแปลว่าอะไรแปลว่าภาษาเวทนาสัญญาเจตนาเอกกตาชีวิตินซีมรสิการที่เกิดร่วมกันกันกบสัตทินซีนั้นก็พลอยใสยไปด้วยใช่ไหมนี่คือคือลักษณะาการที่เขาทำเขาเขาเขาทำให้ใส